เราทำบัตรสวดมนต์เราไม่ได้อยู่ประจำสวดด้วยกันเราสวดพร้อมกันยากเพราะฉะนั้นจะแนะนําวิธีสวดยังไงจะได้เราจะได้สวดพร้อมกัน <c oughs> ไหนหนังสือที่ให้เราเราให้ทําไม่ได้ทํามาซ้ำอ่ะไหน เอาไปแจกเอาไปดินแจกกันไปเอาไปแจกเอาไปเดินแจกกันไปมาให้กูบ า, ากูบาลอันนี้เ็าถ่ายเขาถ่ายมาจากหนังสือสวดมนต์ของเราเนี่ย <c oughs> เรามาดูนี่คือหน้าหนึ่งมาดูหน้าสองเรามาดูหน้าสอง หน้าสองหมายเลขสองสระภาษาบาลีสระภาษาบาลีการที่เราจะสวดให้พร้อมกันนะั่นเสียงสั้นให้เป็นเสียงสั้นเสียงยาวให้เป็นเสียงยาวนี่นมาดูหน้าสองเนี่ยหน้าสองเนี่ยนะแนะนำวิธีก่อนไม่งั้นเราสวดไม่พร้อมกันหรอกยืดยืดยืดอยู่ยนั่นแหละเรามาดูสระภาษาบาลีมันมีเจรูปแต่มันมี8ดเสียง ทำไมถึงมีเจ็ดรูปมี8ดเสียงอ่ะอะนี่ตัวตัวสระานี่เรามองไม่เห็นนะตัวอ่านี่เรามองไม่เห็น8มัน8มัน8รูป9รูปทั้งสระานั่นแหละแต่รูปสระมันมองไม่เห็นเป็นภาษาบาลีตัวโดดโดดมันเป็นออกเสียงสระไปในตัวอ r อ e u u e o เพราะฉะนั้นสระเสียงสั้นราว่าสั้น อีอเนี่เราว่าสั้นๆอีอูเอโอเนี่ยเราว่ายาวๆอีอุสระอังอีอุสระอังสระเอนี่ยเราว่าสั้นๆสระอสระอีสระอูสระเ e, อสระโอนี่ยาตัวเนี่ยเราวายึยา ว, ยาว อรหังสัมมาสั ม, มพุทโธพระกวาสระสระโวายยา ว, ยาวสระออิสร อ, อิติปิโสพะกวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธถ้าเราเข้าใจมันเหมือนกับคลื่นมันเหมือนกับคลื่นถ้าเราเข้าใจนะ ออออออออออออออออออออออออออออออออสระออออออออออออ่อออออออออออออสออออออออออออีไม่มีอออออออออาอาออออออออออออออออออออยอนอออออออออออย ตัวยอยยักษ์เป็นตัวสะกดไม่ใช่สะเออสะเอยสะเออเหมือนเหมือนภาษาไทยนะนี่ะเสียงยาวคือร e ีูเอโอนี่เราพยายามจำกันแล้วกันเวลาเราเราดูเราสวดเนี่ยรัตนะ น, น, นี่ดูเช่นอยา่างตัวอย่างเช่นอย่างรัตนาะนี่รัตนาะรตนเกวระ เกวระเกวระเรามาดูเกวระเนี่ยตัวโดโดโดเนี่ยมันออกเสียงสะในตัวเลยถ้าเป็นภาษาบาลีนะถ้าเป็นภาษาไทยเราจะเห็นเขาทำเป็นไอวิสัญญีคือสะอาเนี่ยเราเราไปอ่านดูไปอ่านดูแล้วก็ไปศึกษาดูเกาใจง่า ย, ายเราสามารถอ่านภาษาบาลีอ่านออก แล้วก็ที่เราสวดเราต้องการสวดพร้อมกันไม่งั้นมันจยืดยื ด, ย ด, ยดจะสวดให้พร้อมกันได้ต่อเมื่อสระเสียงสั้นว่าสั้นๆ ส, สระเสียงยาวว่ายาวยาวแต่ใหญ่ยาวถึงกับยืดยืดเพราะเราเราหลายหลายแห่งหลายถิ่นหลายๆที่มารวมกันมาสวดด้วยกันนี่คือสระถือถื อ, ถอตีมือตีไม้ตีมือไปเป็นเป็นเครื่องเครื่องมือสหรบเราศึกษา จะได้ไปสวดที่ไหนก็ได้ถูกถูกกันหมดไม่มีผิดกีสนาคกี่ส น, สนาคมสวดถูกกันหมดถ้าเราเข้าใจถ้าเราเข้าใจสระเสียงสั้นกับเสียงยาวสระเสียงสั้นอย่างอีนี่มันอยาวไม่ได้อีอีอะอีอุอ่อเนี่ยมันไปเสาระไม่ได้สะอาก็กลายเป็นเสาราไปแล้วอิ อ e, ีเนี่ยเมันเป็นอ e ีไปแล้วอุอุเนี่ยมันสั้นมันมันขาดปิดเลยแต่ถ้าเป็นสระเสียงยาวยาวเท่าไหร่ก็ได้อาอีอูเอโอยาววายยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าพอดีพอดียันมันยืดยืดยืยืด ย, ด ย, ดยดนี่แนะนํานะแนะนำให้ให้พวกเราพยายามสวดตามนี้เ <c oughs> ข้าใจตามนี้ ส่วนอะไพร้อมกันการสวดไพร่เราะเนี่ยกับส่วดไม่ไพ ร, ร่เราะมันต่างกันนะการที่เราสวดไพเราะเนี่ยมันจับใจนะจับจิดจับใจทําให้จิตใจไ ด, ได้รับความสงบได้รับความชุ่มเย็นต่อไปตั้งใจสวดเพราะว่าตูสับพมังขลังขอสับพ่อมงคลทั้งสิ้นจงมีระคั่นตูสับวัเดียดาขอเทวดาทั้งพวงจงรักษาถ้าสวดแปล สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสดาสโสตีพวันทเทวมขอความสวัส ด, ดีทั้งหลายจงมีนะตลอดนิรันเทินทำแปล <c oughs> ไปดูดูไปฝึกฝึกไว้ไปสวดสวดไว้ไปซ้องสอมไว้สวดมนต์สวดมนต์นี้ก็ทำให้เราเพลินไปในบทสวดนี้ถ้าเรามาดูคำแปลมันมีเตมเนื้อหาธรรมะทั้งนั้นมันมีเ น, เนื้อหาของธรรมะทั้งนั้นเลย บทสวดมนต์เนี่ย <c oughs> แม้แต่ราชการที่สี่ท่านเลือกมามาเนี่ยท่านมาแต่งเนี่ยท่านมาเรียบเรียงเนี่ยมาเรียบเรียงทำวัดเช้าเอ่ยทำวัดเย็นเอ่ยคือท่านก็เลือกบทธรรมะมาเรียงมาเรียงให้พวกเราสวดเป็นการระลึกถึงบุญถึงคุณของพระพุทธเจ้าอ่า เราเคยอ่านหนังสื อ, นนอหนุนน่ะหนังสือสวดมนต์น่ะมุมั่นท่านพูดไว้การสวดมนต์เนี่ยสวดในใจแผ่อานุภาพไปได้เท่าไหร่หมื่นจักรวาลสวดเสียงดังสวดเสียงดังขึ้นมาหน่อยแผ่อนุภาพไปได้แสนจักรวาลสวดดังดงเต็มแรงแผ่อนุภาพไปได้ แสนโกรธจักรวาลสูดสุดเสียงแผยอนุภาพไปได้อานันต์จักรวาลอนุภาพของอะไรอนุภาพของพระธรรมอนุภาพของพระธรรมแพ่ไปจริงๆนะแต่พวกเราทั้งหลายหูหนวกตาบอดครูบาอาจารย์ท่านเอาของของมีอยู่มาไล่เราฟังเราก็ไม่ก็ได้ยินได้ฟังเราไม่รู้จัก อะไรแผ่ไปอะไรแผ่ไปเราไม่รู้เรื่องนะสิ่งที่แผ่ไปหมดอ น, นันตเจกกวานก็คืออะไรอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเราดูสิกี่จกกวาลพ้นจากอ น, นิจจังทุกขังอนัตตามีไหมไม่มีกี่โลกธาตุไหมก็ตามไม่มีอะไรพ้นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเพราะุอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่าน จับมาสอนให้พวกเราพิจารณาของสังขารของสังขารทุกๆของสังขารขึ้นชื่อว่าของสังขารทุกๆกลองมีอนิจจังทุกขังอนัตตาของสังขารก็คือสิ่งปรุงกันสิ่งประกอบกันตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปทัานเรียกกองสังขารท่เรียกของสังขารขึ้นชื่อว่าของสังขารมีไตรลักษณ์อยู่ในนั้นคืออนิจจัง ทุกขังอนัตตาทำไมยังมีกองอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นก็เพราะกองสังขารทุกกองสังขารมันจะไม่คงอยู่เท่าเดิมไม่มีอะไรคงตัวอยู่เท่าเดิมค้อนแก้วนี้หรือน่ะก้อนเหล็กนี้หรือรูปทองเหลืองนี้หรืออยู่เท่าเดิมไม่อยู่เท่าเดิมหรอกแต่หากอยู่ได้ตามอายุไขอายุไขมากอายุไขน้อยยิ่งเราดูมาที่คนเราด้วยแล้วนะ อ, อิ่งเห็นได้ชัดเรามาดูเดี๋ยวนี้เราอายุคนละ50ปี60ปี70็ดสปีแปดปีเรามาดูสิเอาไปเที่ยวกับที่เราอายุ20ปี30ปีลองดูตอนนั้นกระฉับกระเฉงแต่ตอนนี้มามนอะไรแล้ว60ปี70ปี80ปีเดินก็ย่องก็ยังก็ย่องก็ยังจะล้มแหลมไม่ล้มแหลมเดินไปข้างหน้า2อก้าถอยข้างหลังก้านึง <laughs> นี่คือความไม่อยู่เท่าเดิม ไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมมันเสื่อมไปมันสิ้นไปและไอ้ที่อยู่รอบข้างตัวเราไม่มีสิ่งใดแม้หนึ่งเดียวที่ไม่ใช่ของสังขารเป็นของสังขารทั้งนั้นแล้วว่าอะไรที่ไม่ใช่ของสังขารไม่มีรูปภาเนี่ยเราดูสิมีสิ่งพรุงสิ่งประกอบเยอะแยะเราดูพัดลมเนี่ยมีสิ่งพรุงสิ่งประกอบอยู่ในนั้นมีอะไรบ้างอี่ชิ้นมีอะไรเป็นไม่ใช่ของสังขารไม่มีเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านจับสิ่งเหล่านี้ามาสอนพวกเรา ให้พวกเราเห็นเห็นข้างนอกแล้วก็ย้อนมาที่กายของเราโอ้กายเรานี่ไม่อยู่เท่าเดิมนะความไม่อยู่เท่าเดิมของกายนี่เป็นทุกขังนะนี่คือทุกขังทุกขังพระราบลีบแล้วว่าทุกขังอะแปลว่าไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมหรือแปลว่ามีทุกข์หรือแปลว่าเป็นทุกข์ก็ได้มันไม่อยู่ในสภาพเดิมอไม่อยู่ทนอยู่ในสภาพเดิมมันเป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังนี่คือทุกขังกับอนิจจัง ไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมท่านให้เราดูเพื่อไม่ให้เรานิ่งนอนใจไม่ให้เรานอนใจไม่ให้เราหลงเพลินกับเนื้อกับหนังของเราเนี่ยที่อยู่ดีมีแรงร่างกายอ้วนพีผิวพรรณผุดพองทำให้เราติดทำให้เรายึดกายเรากายเรากายของของเราเราอ้วนเราพีเราสวยเรางามเราอะไรอะไรเป็นเพลงของตัณหาเท่านั้นมันหล่อให้เราเพลินมันหล่อให้เราเพลิน ใ ห, ให้เรามาพิจารณาดูเราเราที่เราเป็นเปลี่ยนอนี้โอ้เราจะไม่อยู่เท่าเดิมเนาะโอ้เราจะต้องแก่เนาะโอ้เราจะต้องเจ็บเนาะโอ้เราจะต้องตายเนาะเราจะต้องตายอนนี้อางทุกขังเนี่ยมันเป็นภาวะที่มีประจำโลกพระพุทธเจ้าท่านอุบัตมากี่ล้านล้านพระองค์ก็ตามไม่มีพระองค์ใดแม้หนึ่งเดียวที่จะมาดักแปลงได้ ให้มันเป็นนิดจังให้มันเป็นสุก ข, ขังให้มันคงที่อยู่อย่างนั้นไม่มีพระองค์ใดแม่หนึ่งเดียวที่พระองค์จะมาดัดแปลงได้บรรดาทุกสิ่งในโลกสามารถดัดแปลงได้เช่นอย่างลมเงี้ยเรามาดูที่เขาดัดให้มันเป็นลมพัดมาใส่ตัวเราเย็นเย็นเนี่ยไฟเงี้ยดัดแปลงมาจากพระอาทิตย์เห็นไหมให้เกิดความสวา่างน้ําเงี้ยตรงที่มันไหลเราสามารถดัดแปลงได้ทั้งหมด แต่อณิจักรับทุกขังไม่มีใครดัดแปลงได้พระพุทธเจ้าก็ดัดแปลงไม่ได้พระองค์ดัดแปลงไม่ได้แต่พระองค์พิจารณาให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็เขิดลาบในมันแล้วก็ทิ้งมันอะไรก็ตามที่เป็นภาวะของอณิจักรองทุกขังพระองค์พิจารณาให้รู้เห็นแล้วก็ทิ้งมันเป็นอย่างกายเนี่ยพิจารณาให้รู้เห็นแล้วก็ทิ้งมันเวทนาเนี่ยพิจารณาให้รู้เห็นแล้วก็ทิ้งมันสัญญาสังขารปัญญาเนี่ยท่านพิจารณาเห็น เห็นภาวะไม่คงทนเปลี่ยนไปพี่รนาเห็นแล้วก็เบื่อหนาแล้วก็ทิ้งมันพี่ชนะรู้เห็นแล้วก็ทิ้งมันทำไมจึงทิ้งมันเพราะนั่นคือกองทุกข์เราไม่ทิ้งมันเราก็คือเรายึดกองทุกข์ยึดด้วยความรุ่มหลงเราไม่รู้จักเรายึดด้วยความรุ่มหลงเราไม่รู้จักเราก็ยึดยึดด้วยความรุ่มหลงยึดอะไรยึดกองทุกข์ขันยึดกองอนิจจแท้ที่จริง มันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอนัตตาแต่ในใจของเราตัณหามันสอนเรามันสอนว่าไงตัวเราตัวเราตัวของของเราตัณหามันสอนเรากิเลตัณหามันสอนเราตัวเราตัวของของเราอัตตาตัวตนของเรานี่แหละกิเลมันโผล่ขึ้นมาตรงนี้ถ้าตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไหรแล้วมันก็พาเรายึดโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไหรแล้วมันก็พาเรายึดยึดอะไร ยึดว่าเป็นของของเราอันนู้นเป็นของของเราอันนี้เป็นของของเราเมื่อยึดยึดสิ่งที่ชอบใจยึดมากๆด้วยอํานาจของความโลภความโลภไม่มีประมาณไม่มีเมืองพอความโลภทําให้เราเบียดเบียนกันอยู่บนโลกใบนี้แหละแย่งที่กันอยู่แย่งที่กันกินแทงแย่งที่กันอยู่แย่งงานกันทําอะไรที่เป็นของดีๆแย่งกันยื้อแย่งกัน คำว่ายื้อแย่งกันก็คือใครมีกําลังมากกว่าก็ได้แย่งได้ไปใครฉลาดว่าก็ใช้อบายยื้อแย่งกันไปีนบนโลกใบนี้เพราะอะไรเพราะมันมีอัตตาอัตตาก็คือความเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนพระพุทธเจ้าท่าสอนอย่งงางนั้นไหมท่านสอนว่าอนัตตาอนัตตาถ้าอัตตาต้องบอกมันได้นี่พระพุทธเจ้าท่านเอาที่เด็ดมาตรงนี้ถ้ามันเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตเนตเราต้องบอกมันได้ อย่าแก่นะอย่าเจียมนะอย่าตายนะบอกไม่ได้โดยเหตุที่บอกไม่ได้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วก็ปล่อยวางรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางตัวเราตัวของของเราไม่เห็นใครยึดได้สักคนสนัหนึ่งหมดลมหมดลมกตายเป็นศพหมดลมแล้วก็ตายแล้วก็เป็นศพเป็นศพแล้วถ้าเผื่อเขาไม่ฉีดยา ก, กันกันเน่า ทิ้งเอาไว้ในที่ลงโลง่อสักน้อยหนึงเวลาล่วงไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงห้าชั่วโมงเป็นต้นไปเริ่มมีกลิ่นแล้วนะเริ่มมีกลิ่นแล้วเริ่มเน่าเริ่มเหม็นเริ่มเปื่อยนั่นถ้าเป็นของเราทําไมต้องเป็นอย่างนั้นเราบอกมันไม่ได้ไอผู้ที่ไปยึดคือใจใจของเราไม่ฉลาดใจของเรามันมีตันหาเคลือบแฝงอยู่ในนั่น มันหลอกให้เราไปยึดยึดว่าเป็นเราเป็นของของเราถ้าเป็นเราเราต้องบอกได้โดยเหตุที่ไม่ใช่เราเราจึงบอกมันไม่ได้เห็นไหมมันตายต่อหน้าต่อตามันเปื่อยมันเน่าต่อหน้าต่อตาเอาไปเผาเอาไปฝังต่อหน้าต่อตากายนะแต่ใจมันไม่ตายใจไม่ใจไม่เน่าใจไม่ตาย ธาตุอย่างหนึ่งเป็นเหตุมารวมตัวให้เกิดกายธาตุอีอย่างหนึ่งรวมกันให้เป็นใจใจเป็นธาตุรู้รธาตุรู้รนี่ไม่ตายมีอยู่ในโลกมีอยู่ปฏิจจมโลกใจเป็นธาตุไม่ตายใจไม่เคยตายใจพระสงฆ์สาวัสดิพระยาะสวัใจพระพุทธเจ้าพระจิตของพระพุทธเจ้าไม่ตายไม่ตาย ก็ เ, เป็นธาตรู้ธาตรู้มีอยู่ประจํารกนั่งเดิมไม่ตายแต่เมื่อก่อนนั้นน่ะไม่บริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์เนี่ยทําให้ใจดวงนั้นน่ะสูงบ้างต่ําบ้างสูงบ้างต่ําบ้างไปพบดีไปพบยากไปพบละเอียดไปพบต่ําๆมาพบกลางๆคือพบมนุษย์เป็นพบละเอียดไอ น, นี่ขึ้นไปอีกเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นเป็นนู่นชั้นละเอียดขึ้นไปอีก ชั้นรูปประพรมชั้นอารูปประพรมตามซ้ำลงไปกว่านั้นนู่นไปชั้นอาบายใจมันวนไปอยู่นั้นทำไมจึงวนเพราะตัณหามันมีอยู่ในนั้นความอยากเต็มแพร่อยู่ในนั้นพระเจ้าท่านให้พิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้แห ล, ละพระเจ้าท่าละได้ปล่อยได้ละอะไรละความอยากปล่อยความอยากละที่ล ะ, ละที่ใจละความอยากที่ใจ ปล่อยความอยากที่ใจรู้เท่าทันความอยากที่ใจเอริยะพออรอยากรู้ทันนระดับยารู้ทันระดับเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาระความอยากมีอยู่คือธรรมะนี่แหละสมถะวิปัสสนานี่ยแหละเป็นเครื่องมือชาระความอยากความอยากมันเป็นตัวกิเลสมันทําให้เราเกิดความโลภไม่มีประมาณทําให้เราเกิดความโกรธทําให้เรามีราคะตัณหาไม่มีประมาณ ความอยากมันร้อยเราอยากะทุบเพืออแต่พระเจ้าท่านบรรลุธรรมท่านเอาวิธีการที่ท่านได้บรรลุแล้วก็สามารถชําระความอยากออกจากพระไทยได้เอามาบอกมาสอนพวกเราอืเอามาบอกมาสอนพวกเราให้เราชะล้างความอยากได้ให้เหลือแต่ผู้รู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวเมื่อก่อนกิเลสปนเปื้อนมาราคะโทสะมุขมันปนเปื้อนมา ปล่อยใช้สติใช้ปัญญาพิจนาแล้วปล่อยพิจานาแล้วก็ปล่อยถอดออกถอดออกทอนออกทอนออกปาะออกปาะออกปาะออกจนหมดเหลือแต่ผู้รู้1เดียวไม่เป็น2กับกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นผู้รู้1เดียวผู้รู้หนึ่งเดียวนี่ไม่มีอนิจจังทุกขังนัตตานะเพราะสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวมันไม่ใช่กองสังขารเนี่ยสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปรวมกันท้าเรียกว่ากองสังขารจิตเราก็เป็นกองสังขารเมื่อก่อนจิตของเรามีกิเลส จิตของเรามีกระเล็ดจิตของเราเป็นกองสังขารเพราะฉะนั้นจิตของเราจึงไม่คงที่<ะ>ได้พบสูงบ้างได้พบต่ำบ้างได้พบยาบ้างได้พบละเอียดบ้างสูงๆต่ำๆเพราะมันเป็นไปตามพฤติกรรมที่เราทาจากพลังของอำนาจของตัณหามันไม่เคยทาให้เราอยู่เท่าเดิมแต่ในเมื่อชะล้างความอยากออกจากระไทหมดจน ด, ดยสิ้นเชิงแล้วเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวไม่ใช่กองสังขาร นะแล้วหมดไปจากโลกไหมไม่หมดไปจากโลกยังมีอยู่ในโลกแต่ถ้าหากไม่ได้พาดพิงสมมุติพวกเรามองไม่เห็นนะพระจิต ท, ที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ตอนพระองค์ดาเนินนะเข้าสู่พิธีมหาปรินิพานกรรมนี่ยพระองค์เข้าเข้าสมาบัติให้เราเห็นเข้าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ระหว่างที่พระจิต ท, ที่บริสุทธิ์นั้นนะอยู่ในองค์ฌานมองเห็น อยู่ในอรูปิฌานก็มองเห็นอยู่ในสัญญาเวททียึต่นีโรคก็มองเห็นแต่เวลาไม่อยู่ในองค์ฌานมองไม่เห็นลงมาจิตธรรมดาพื้นๆขยับขึ้นไปอีกจงไปถึงฌานฌานที่สพระจิตที่บริสุทธิ์อยู่ในฌานที่4ี่มองเห็นเสร็จแล้วออกจากฌานที่สรูปิฌานก็ไม่อยู่แล้วพระจิตที่บริสุทธิ์อรูปิฌานก็ไม่เข้ารูปิฌานก็ไม่อยู่ ไม่ได้พาดพิงสมมตุติพระอนุธทธะแท้ๆมองไม่เห็นมองไม่เห็นหมายความว่าพระองค์เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานอะเนี่ยพระกิตที่บริสุทธิ์นั้นยังมีอยู่ถ้าไม่ได้มาพาดพิงสมมตุติไม่เห็นพระองค์เพียงทรงตรัสผู้ใ ด, ดเห็นธรรมผูดด้นัดด้ น, ดด เ, หนดดเห็นเราใครอยากเห็นเราผู้นั้นปฏิบัติให้เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม นี่เป็นปรัชญาชั้นเยี่ยมที่พระองค์ทรงตรัสไว้เพื่อจะเป็นแนวน้อมทำให้เราอยากเห็นพระองค์อยากเห็นพระองค์ต้องต้องจะปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมคิตเรา ม, มีสมาธิมากน้อยเท่าไหร่แลเริ่มเดินรอยตามหลังพระองค์ไปแล้วเริ่มมีสมาธิเริ่มมีปัญญาแพลวพราวสมาชะล้างทิฏฐิของตัวเองให้บริสุทธิ์ทิฏฐิบิสุทธิ จิตวิสุทธิจิตให้ได้รับความสงบทิฏฐิวิสุทธิชะล้างทิฏฐิด้วยปัญญาจนรู้ช่องทางปฏิบัติ9้าล่วงพ้นจากอำนาจของความรุ่มหลงทิฐิเหล่านี้ทําให้เราเข้าลึกไปเรื่อยลึกปเรื่อยละเอียดไปเรื่อยเริ่มเห็นพระพุทธเจ้าหมดจดชั้นใดชั้นหนึ่งก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าหมดจดโดยชิ้นเชิงเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์องค์พุทธแท้ทยังมีอยู่เนี่ย เพราะฉะนั้นเวลาพวกเราทําวัดสวดมนต์เราลึกถึงบุญคุณของพระองค์พระองค์ก้ อ, อ ง, งอยู่ในหัวใจของเราก้องอยู่ในหัวใจของเรารู้ได้ยังไงก็ ร, รู้เราเองอะเราลองระลึกดูเราจะรู้ก้องอยู่ในใจของเราเองเนี่ยผู้รู้นี่แหละเป็นธรรมผู้รู้รลึกรู้ผู้รู้นี่แหละเป็นผู้จะเริ่มรู้ธรรมจะเริ่มเข้าถึงธรรมจะเริ่มเข้าเห็นธรรม ภาวะของพุท ธ, ธคือภาวะของธรรมภาวะของพุทธเนี่ยนี่คือพระศ า, ศาสนาของเรายังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราทําบุญให้ทานเราทำทำวัดสวดมนต์เราศึกษาธรรมประพฤติธรรมเระลึกน้อมนึกถึงบุญถึคุณของพระองค์บุญคุณของพระองค์ก้องอยู่ในหัวใจของเราใจของเราได้รับความสงบได้รับความละเอียด ในรักความบริสุทธิ์มากน้อยเท่าไรเริ่มขยับเข้าไปขยับเข้าไปบริสุทธิ์หมดจบโดยสิ้นเชิงเห็นพระพุทธองเต็มองนั่นคือองศาสดาแทา้เป็นองศาสดาแท้ชำรงอำนาจตัณหาหมดไปจากหัวใจตัณหาไม่มีอยู่ในหัวใจตัณหาอยู่ในไม่มีอยู่ในหัวใจไม่มีอะไรเป็นพลังพลังของตัณหาไม่มีมีแต่พลังของธรรมเมื่อก่อนนั้นมีทั้งพลังธรรมมีทั้งพลังกิเลส ด้วยกันในหัวใจของเราเวลาชักไปแล้วหมดไปแล้วพลังของกิเลสหมดไปแล้วเหลือแต่พลังของธรรมเป็นธรรมทั้งแท่งเป็นธรรมทั้งดุ้นเป็นธรรมทั้งก้อนเป็นธรรมทั้งแทง่งหลวงตถาถามว่าเป็นธรรมทั้งแทง่งเป็นธรรมทั้งแทง่งถ้าเราจะเทียบเมื่อก่อนนั้นในหัวใจของเราข้างไหนหนักข้างไหนข้างนั้นจะจะลองเหมือนกระเดืองเราดูใบรูปอุป Bose มาณที่เป็นกระเดืองเห็นไหมกระเดือง เวลาเวลาเราเหยียบเวลาเราเหยียบก้ น, นลงดินใช่ไหหัวมันก็ขึ้นมันก็กระดกขึ้นข้างไหนข้างไหนหนักกว่าข้างไหนหนักกว่าปล่อยไปแล้วข้างนั้นจะต่ํากว่าเหมือนอย่างเราช่างตายช่างนี่แหละตายช่างสองกันถ้าข้างละห้เซหรือไม่ข้างละห้ากิโลเนี่ยสองข้างมันก็ต้องเท่ากันสข้างสองข้างเท่ากัน นี่ถ้าข้างใดข้างหนึ่งหนักกว่าข้างหนึ่ง40 40กิโลอีกข้างหนึ่ง60กิโลเนี่ยอีข้าง60กิโลก็ต้องหนักกว่าเรามาดูในหัวใจของเราเนี่ยหัวใจของเราหนักด้วยบุญหรือหนักด้วยบาปถ้าหนักด้วยบุญด้วยเหตุที่เราทําบุญเพิ่มอยู่ทุกระยะทุกเวลามีการทําบุญไจบาปมีการนั่งภาวนาแก่ได้รับความสงบมีการเจริญภาวนาเกิดสติเกิดปัญญาแพร่พร้พราด้วยอํานาจของธรรม ทำของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น50กิโลเป็น60กิโลเนี่ยเริ่มหนักกว่าแล้วตอนนี้พอวางปั๊บข้างไหนหนักกว่าข้างนั้นแหละจะจะหนักไปจะลงแหละนั่นแหละเป็นกระเดื่องต้ น, ตนไหนต้นไหนตัวนั้นเลยจะหนักกว่าแต่ถ้าหากทำของเรามันน้อยให้กิเลสให้กิเลสหนักกว่านี้กิเลสจะเพิ่มจาก50เรายกตัวอย่างเช่นอย่า ง, างข้างละ50มันสมดุลกันอะ อีกข้างหนึ่งเป็น60เนี่ยสมุทรเกลเอหสิบเนี่ยกเกลเอก็ต้องหนักลงแล้วมันท่าใจมันท่วมใจหนักแน่นในกิเลเพราะงั้นเถอะแต่ถ้าหากเป็นข้างทำหนักกว่าคือหนักแน่นในทำไอ้ผลของกิเอกับผลของทำมันแตกต่างกันผลของกิเลอให้ทุกเร้าร้อนผลของทำให้ความสุขให้ความเบาสบายปลอดโปร่งให้ความอบอุ่นให้ความช่มชื่นเบิกบานารื่นเริงเพลิดเพลินเพลิดเพลินกับไปกับ กับศีลกับธรรมถ้าให้กิเลสมันหนักกว่ากิเลสมันก็ดึงลงข้างเดียวลงให้กิเลสเจ็ดสิน่ยมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิหมดทั้งดวงเนะ่ยไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้บาปบุญคุณโทษผิดถูกชั่วดีอะไรไม่รู้ทนะั้งนั้นบุญคุณพ่อแม่ไม่มีทั้งนั้นเนะี่ยพวกมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิหมดทั้งดวงนี่เราเทียบอยู่ในหัวใจของเรา เือเราจะได้เรียกร้องสร้างแต่บุญสร้างแต่ ก, กุศลเข้าสู่หัวใจให้มันหนักสมมติมันมันทวงดุลสมดุลกันค่าละห้าสิบเงี้ยพยายามเสริมสร้างทำให้หนักเข้าเป็นหกสบกิโลเป็นเจ็ดสิกิโลเป็นแปดสกิโลเนี่ยมันเริ่มหนักกว่าแล้วกิเลมเหลือน้อยลงกำลังมันเหลือน้อยลงกําลังเหลือน้อยลงมันก็ต้องหนักหนักกว่าในขณะที่มันหนักกว่า โดยเหตุที่เรามีบุญกว่าเพิ่ม7จ็ดสิบปดิบเก้าสิบกิเลสมันเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดมันหดหัวหายไปเลยเหลือแต่ทำทั้งแดงทำทั้งแทง่งทำทั้งรุ่นในหัวใจของเราหัวใจของเรา ม, มันมาด้วยกันใครสร้างให้เรากิเลสไม่มีใครสร้างใจเราสร้างเอาสร้างเอาเองก็ใครเป็นตัวสร้างกิเลสเป็นตัวผลิตกิเลสก็ใจของเรานี่แหละ มันเปรีเป็นผู้สร้างกิเลสมันเป็นผู้ผลิตกิเลสใครมาสร้างให้เราพระอินทร์พระพรหมไม่มีพ่อแม่สร้างให้เราไม่มีพ่อแม่ท่านก็ประกอบการเจริญพันธุ์ด้วยอำนาจของตัณหาในใจของท่านจนเป็นเหตุให้เกิดก้อนก้อนเลือดก้อนเนื้อในท้องท่านะเราก็มีตัณหาก็ไปเที่ยวจับจองได้ท่านี่นี่คืออำนาจของตัณหาตัณหาคืออะไรเหตุเกิดทุกข์ร่างกายเป็นกอนทุกข์เป็นกองทุกข์เป็นกอ้อนทุกข์ โดจัดอำนาจของพ่อของแม่จเจริญพันกันด้วยอำนาจของตันหาในใจของพ่อของแม่ทําให้มีก้อนเลือดก้อนเนื้อไปเกิดในท้องแม่เห็นไหมเราก็สแสวงหาที่เกิดด้วยอำนาจของกรรมมีตันหาอยู่ในใจสแสวงหาที่เกิดแต่ก็ต้องไปเกิดตามบุญตามกรรมนั่นคือการกําเนิดของมนุษย์ถ้าไม่มีตันหาไม่มีอะไรเกิดตันหามันคือความอยากการตันหามภาวะตันหาวิพวัตตันหาความดิ้นรนความเที่ยวทยานของใจ มีความหลงครอบหัวใจดวงนั้นอยู่ไม่เคยรู้รู้สึกเนื้อรู้สึกตัวเลยมันจะยึดกับยึดมันจะถือกับถือมีอำนาจของตัณหาในหัวใจของเราคือความอยากตัณหาคือความอยากความอยากตามอํานาจของสมุทัยนะแต่ถ้าอยากตามอํานาจของมรรคถ้าให้ส่งเสริมอยากให้ทานอยากรักษาศีลอยากประพฤติ ธ, ธรรมอยากปฏิบัติธรรมอยากได้อะไดรทำอยากได้มรรคได้ผลอยากได้นิพพาน ความอยากอันนี้เป็นมัดท่านให้รีบส่งเสริมไม่รีบสนับสนุนขึ้นมาทันทีแต่ปัญญาอันหนึง่งอยากเพื่อเล่เพื่อโกรธอยากเพื่อราคะทันหาสร้างครอบสร้างครัวสร้างอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านถือว่าอยากตามอํานาจของสมุทยัยไปสร้างขึ้นมาปั๊บผลตามมากองทุกผลตามมาคือกองทุกนี่มันไม่ใช่ว่าความอยาก เพื่อที่จะรักษาศีลพระพุทธธรรมปฏิบัติทําไม่มีถ้าไม่มีจะเอากำลังจากไหนมาทำจะเอาพลังจากไหนมาถือมาพระพุทธมาปฏิบัติที่จะเอาชนะกิเลสได้ไม่มีเพราะฉะนั้นทำให้เรายืนอยู่กับที่แล้วก็ระลึกสานึกรู้สึกตัวได้โอ้อยากดีอยากเป็นคนดีน่อยากเป็นคนดีก็สร้างมากอยากเป็นคนดีอยู่แต่ไปสร้างสมุทยัย นอยากเป็นคนดีอยู่เพื่สรงสมุทรไทยผลตามมาก็ตามเหตุที่ทํานั่นแหละเหตุเพื่อสมุทรไทยก็คือตามมาก็คือทุกข์ในเรื่องสุขกับทุกข์นี่พวกเราชี้ผิดชี้ถูกกันอยู่ขว้กันอยู่นี่แหละทุกคนต้องการความสุขความเจริญแต่ว่าไปเล็งเหตุกับผลไม่ตรงกันบางคนก็เล็งเหตุกับผลที่ตรงกันบางคนเล็งเหตุกับผลไม่ตรงกันต้องการอยู่ความสุขความเจริญ แต่ว่าไปทําไปทําเหตุเพื่อความทุกข์ความยากความลําบากเนี yeah. uh ่ย huh. ยกตัวอย่างเหมือนอย่างเราต้องการทาสีขาวป้ายสีขาวแต่ไปจุ่มสีดําไปจุ่มสีดําไปทามันก็ต้องเป็นสีดําแต่เราต้องการต้องเราต้องการสีขาวนี่ในใจของปุถุชนเรามันแปลเราผิดอยู่อย่งนี้ทุกระยะทุกเวลาท่านที่ให้เราศึกษาให้รู้ข้อเท็จจริงธรรมะในหัวใจของเราสรุกแปดหมื่สีพพระธรรมขันธ์สุปลงมาเหลือ เหตุกับผลเท่านั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยศาสตร์ทั้งสี่ในสุบลงมาคือเหลือเหตุกับผลเหตุหนึ่งคือสมุทยัยนําผลคือทุกมาให้เหตุอีกอันหนึ่งคือมรรคนาผลมาคือดับทุกคือดับสมุทยัยดับเหตุให้เกิดทุกเหตุอันหนึ่งสร้างทุกเหตุอันหนึ่งดับทุกขนี่ เหตุเหมือนกันแต่เหตุอัหนึ่งดับทุกเหตุอันหนึ่งสร้างทุกเหตุอัหนึ่งดับทุกผลของผลของเหตุที่เป็นสมุทัยนั่นแหละนำนำทุกไม้เราผลของนิโรดนิโรดคือความดับทุกเหตุก็คือมัดมัดดับเหตุให้เกิดทุกดับเหตุเหตุให้เกิดทุกคืออะไรก็ดับสมุทัยนั่นแหละดับความยาม ดับกรรมทันหาภาวะตันหาวิภาวะทันหานิ้วใจของเรางานที่เอามาใช้ดับก็คืองานกรรมฐานนี่เองใจมันรักใจมันชอบท่านให้พิจารณาตรงกันข้ามพิจารณาเพื่อไม่ให้รักพิจารณาเพื่อไม่ให้ชอบเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีการพิจารณาสุภาสุพังไหมการพิจารณาสุภาษุพนะังไหนให้พิจารณาให้เกิดความเกลียดพิจารณาให้เกิดความชัง เกลียดปฏิกูลโสโครกแต่เราจะยังจิตของเราให้ให้ใยังให้เข้าถึงหลักธรรมชาติชาติเลยทีเดียวยังไม่ได้เพราะกําลังไม่พอต้องเอาสัญญาที่เรียกว่าให้เอาปฏิกูลสัญญาหรือไ่กอสุภะสัญญามาเจริญกำหนดหมายเห็นมันมันเป็นของเน่าของเปื่อยนอนเจะยั่วยุยยุบยับกลินเหม็นคลุ้งเนี่ยมาเจริญเราลองมาเจริญลองดู มันทำลายความอยากในหัวใจของเราได้นะอยากตามอานาจของราคะตัณหาเนี่ยมันสามารถสงบระงับดับได้นี่พระเจ้าท่านให้ดูให้ตรงข้ามไปเลยชอบสิ่งใดให้พี่ชายเห็นโทษสิ่งนั้นชอบสิ่งใดให้พี่ชาเห็นโทษสิ่งนั้นแต่ถ้าชอบทำชอบสินชอบธรรมให้ส่งเสริมเพราะอันนี้เป็นมรรคแต่ถ้าชอบตามน่าของความโลภความโกรธราคะตัณหา ท่านให้พิจารณาตรงข้ามพิจารณาจนเกิดความเบื่อเกิดความหน่ายเพื่ออะไรเพื่อทำลายความรักความติดความพันความชอบความผูกพันแต่ถ้าเราไปคล้อยตามมันเหมือนกับเราเอาไฟเหมือนกับเราเอาเชื้อไปเสริมไฟเชื้อไปเสริมไฟเพราะสิ่งเล่านะั้นมันเป็นเชื้อของตันหากิเลตันหาพิจารณาสุภาพพิจารณาสุภาพสุพัรณสุภาพแล้วว่างาม งามท่านให้พิจารณาตรงค้าอสุภะอสุพังอสุภะคือไม่งามเอาสามารถเอาสัญญามาสร้างขึ้นมาได้ปฏิคูล์สัญญาเงี้ยอสุภะสัญญาเนี่ยมรณะสัญญาเนี่ยดูตัวเองให้เห็นนอนตายหรือดูคนที่เรารักที่สุดเนี่ด้วยอำนาจของตัณหาดูให้เห็นมันนอนตายอืดขึ้นเขียวนั่น นอนเจาะยอเยอะเยยุกยับน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลเยอะลองดูเห็นดูไอ้แค่เราใช้สัญญานั่นแหละสัญญามันก็หลอกสัญญาได้แท้ที่จริงที่เรามองหมายว่างามหมายว่างามก็สัญญาแล้วมันหมายเราเอาสัญญาฝ่ายมัดไปหมายไปตั้งหมายว่าไม่งามถ้าให้หมายว่าไม่งามเพราะเราหมายว่าไม่งาม มันก็ทำให้สลดหดหูใจเหมือนกันทำให้เบื่อให้น่าให้คลายให้จางได้เช่นเดียวกันโดยเห็นเป็นเรื่องตรงข้ามเนี่ยการที่เราจะต่อกกับตัญหาจะต้องพิจารณาในแง่ของตรงกันข้ามดูแต่ความโกรธเนี้ยถ้าให้พิจารณาเมตตาแผ่เข้าไปพิจารณาตรงกันข้ามเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีศีลจึงให้มีธรรมจให้มีการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตา ครบวงจรพิจรณาสุภาสุฟังปฏิกูลโสโครกที่เกิดความเบื่อความหนายความคลายความจางอีธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราสวดผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นถ้าเราไปดูคําแปลโดยเฉพาะอย่างวิปัสนาภูมิวิปัสนาภูมิเนี่ยวิปัสนาภูมิคือภูมิของวิปัสนาไปดูคําแปลดีๆก็แล้วกันนะมั น, ะนเป็นหัวข้อธรรม โมก็ทํานี้เราก็ควรศึกษาไว้เพราะมันเป็นเครื่องหมายเครื่องมือเราไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้จักอะไรวิปัสนาวิปัสนาวิปัสนาก็คือท่านให้เราศึกษาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจรู้แจ้งรู้แจ้งเรียว่าวิปัสนาวิปัสนาภูมิ ปสนาภูมิปัญจคันธ า, นารู ป, ปรขันโทท่านพูดถึงคัน้นี่ในวิปเสนาภูท่านพูดถึงคัน5การูรปเวทนาสัญญาทั้งควิญญาณท่านพูดถึงอายัตนา12อายัตนาภายใน6อายัตนาภายนอกคันห้าธาตุอยินรียี2อยินรียี2 สคุณีโซตินสขนึนชวจินสีสตินสนีสมาตินีปัญญินสีนี่ขันอายตนะ12ธาตุแท้ที่จริงท่านเขาเรียกซ้าๆกันน่ตานั่นแหละบางทีท่านเขาเรียกอายตนะบางทีท่านเาเรียกว่าธาตุบางทีท่านเขาเรียกว่าอินสีท่านเขาเรียกซ้าๆ น, น่ไปดูเข้าใจง่ายมันเป็นหลักหลักทั้งหมดนี้มันเป็นเครื่องหม้เครื่องมือ ในเมื่อเรามีเครื่องไม้เครื่องมือดีสมมติเราไปสร้างบ้านทําเรือนหรือทําเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ตามแต่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือดีเราก็ได้งานดีงานทางทำที่เรามาแก้เคลเรนเนี่ยถ้าเผื่อเรามีเครื่องไม้เครื่องมือดีงานเขาเราก็จะไปได้ดีงานเขาเราจะไปได้ดีเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ติตีตันอัน้นต <อ by. S 1> ต้องเจาะ มันไม่ไม่มีอะไรคือเจาะต้องตัดต้องเลื่อยไม่มีอะไรตัดอะไรเลยต้องฟันไม่มีอะไรฟันเนี่ยถ้ามีเครื่องเื่ไม้เครื่องมือมพอเราก็ทํำได้ง่ายขึ้นหัวข้อทำเหล่านี้มันมีความจริงปรากฏอยู่ในหัวใจของเราคือสภาวธรรมตาเรามีไหมรูปมีไห ม, มตาไปกระทบรูปตาก็เป็นธาตุจากหูธาตุ รู ป, ประธาตเนี่ยตาเป็นอินทรีก็ได้จักคุณสีโซตินสีคานินรีซิวินรีกายินรีมะนินรีขันหอรยัตนาส2องธาตุสปดอินทรียีสบสองอริยสัจสอริยสัจสี 4, ปฏิจจสมุปบาทสีบสองนี่คือวิปัสนาภูมิ ภูมของวิปัสสนาไปพิจารณาดูบทไหนบทหนึง่งเราเอามาพิจารณาให้เกิดเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเราทำตัวเป็นช่างให้เป็นผู้มีเครื่องไม้เครื่องมือมันจะสะดวกกว่าช่างที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทำงานทำการก็ได้งานได้การสะอาดทำงานได้รวดได้เร็วไม่ไม่ต้องกลัวงานด้วยพวกเราตีตัน่นในเครื่องไม้เครื่องมือ เราก็เลยปล่อยรังเกียจงานเราก็ลเลยเลยพลอยอ่อนแอในงานเราก็เลยเลยปลอยไม่ได้งานสิ่งเหล่านี้เร า, าควรศึกษาเอาไว้ศึกษาง่ายๆท่องจํำง่ายไปท่องคืนนี้จําได้เลยเนี่ยลองไปไล่ลองดูไปท่องคืนนี้จําได้เลยแล้วก็ไปดูปฏิจจสมุปบาทที่ท่านไล่มาก็นอภิชาปัจญาช่างฆ่ารานท่านไล่สายเกิด12สายดับ12 สายเกิดจะเรียกว่าสมุทัยสมุทัยวาร ะ, ะสายดับจะเรียกว่านิโรธวาระนิโรธวาระนิโรธวาระสายเกิดสายเกิดอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเนี่ยอวิชชาปัจจญาสร้างข้าราสร้างข้ารปัจจญาวิญญาณังอันนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องมือไปดูไปศึกษาไว้เครื่องมือเหล่านี้เราควรแสวงหา เราควรมาเก็บมาสงวนมารักษาไว้เป็นสมบัติของเราถ้าเราสมัครใจจะเป็นช่างช่างสมรรถะช่างวิปัสสนาไปศึกษาไว้นะศึกษาง่ายศึกษาข้อใดก็ย้อนมาดูที่ตัวที่ของจริงตาเรามีหูเรามีจมูกลิ้นกายใจเรามีท่านก็เรียกซ้ำๆ่ตาเ็เป็นธาตุตาเ็เป็นอินทรีย์รูปเ็เป็นธาตุรูปก็เป็นอินทรีย์ รูปก็เป็นอายตนะปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือธรรมะที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นโดยลําดับมันก็ไม่พ้นจากภาวะของธรรมะเหล่านี้คือภาวะที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราท่านพูดถึงอวิชชาอวิชชาอวิชชาแปลว่ารู้ไม่จริงรู้ไม่แท้รู้จอมปลอมรู้ไม่รอดรู้ตามเงื่อนไขของกิเลสมันสร้างให้เรา อวิชชาเย็ไปัจจัยเกิดสังขารสังขารเรารูปสังขารของเรากับนามสังขารของเราที่ไปที่มาของมันเรารู้ไหมที่ไปที่มาของรูปสังขารของเราของนามสังขารของเรารูปสังขารคือกายของเรานามสังขารคือใจของเราเรารู้ที่ไปที่มาของมันไหมเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าท่านตั้งไว้ที่อวิชชาอวิชชาอวิชชาแปลว่ารู้รู้จอมปลอมรู้ไม่จริง อวิชชาปัจจยาสร้างขาราฮอวิชชาเป็นปัจใจัยให้เกิดสังขารเรามาพิจารณามาไล่ดูนี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือ น, น ะ, ะวันนี้เรามาสะสมมารวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือเอาไว้สะสมเอาไว้ในใจของเราเป็นเครื่องประดับหัวใจของเราเป็นเครื่องประดับฝีมือช่างของเราอวิชชาเป็นปัจใจัยให้เกิดกอสังขาร สังขารคือสังขารรูปกับสังขาร น, นามมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้รู้ไม่จริงรู้จอมปลอมผู้เจ้าท่านไม่ได้ตั้งมว่าเรามีใจแต่ละดวงแต่ละดวงเกิดตอนนั้นเกิดเมื่อนั้นมีคนน้ำสร้างให้มีคนนี้ทำให้โปร่งตั้งไว้ที่อวิชชาอาวิชชาคือสติคือปัญญาของเราเองเราโง่เราเองเราโง่เราเองกองสังขารยิ่งเกิดขึ้น เรามาคิดดูสิถ้าเราไม่โง่เรามาคิดมานึกมาคิดมาปรุงเอาทุกเอาโทษมาใส่ตัวเราทําไมถ้าเราฉลาดเราไม่นึกเราไม่คิดเราไม่ปรุงเราไม่ดึงเข้ามาไม่ลากเข้ามาเราก็ไม่ต้องได้รับทุกได้รับโทษนี่ด้วยเหตุที่เราไม่รู้นั่นแหลทะทีนี้เวลาเราเจริญภาพปฏิบัติเวลาเราเจริญปั๊บตั้งสติขึ้นมาตั้งสามปัญญาขึ้นมา เกิดความรู้เกิดวิชาวิชาตรงกันข้ามกับอวิชาใช่ไหมเมื่อก่อนเราไม่รู้ปลกกุกจิตขึ้นมาด้วยสติด้วยสัมพชัญญะด้วยปัญญาด้วยสมาธิด้วยปัญญ า, า, ญญาให้จิต ข, ของเราตื่นรู้ขึ้นมาเพราะจิตของเราตื่นรู้ขึ้นมาเป็นวิชาตราบใดเรามีสติมีสัมพชัญญะมีปัญญาครอบงำํำครอบครองจิตของเรา เท่ากับเรามีวิชามีความสวา่างอวิชชาเกิดไม่ได้อวิชชาคือความรุ่มหลงเกิดไม่ได้ในเมื่อปัญญามเกิดขึ้นมาแล้วอวิชชาเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราตึงพยายามเจริญเจริญมรรคสินสมาธิปัญญาเนี่ยมีองค์ประกอบคือมรรคที่เราต้องเดินต้องเกี่ยวกับสินต้องเกี่ยวกับสมาธิต้องเกี่ยวกับปัญญาเริ่มรู้เริ่มเข้าใจเริ่มตอ่อกกรกรรมันแล้ว เริ่มู้เริ่มเข้าใจเริ่มต่อก่อนกับมันแล้วสติมาตั้งโรูขึ้นมาว่าจากอวิชฌามันกลายเป็นวิชฌาขึ้นมาแปลว่ารู้รู้รู้หรือว่าสว่างสว่างสว่างไม่หลงอโมหะในเมื่อมีอโมหะคือไม่ไม่โลอไม่หลงเนี่ยอโลภะอโลอะโลภะอโทสะอโมหะไม่โลอไม่โกรธไม่หลง อะไรเป็นเครื่องมาตัดให้ใจของเราไม่โลกไม่กรธไม่หลงอาศัย ส, ส, สติธรรมสัมปชัญญะธรรมอาศัยปัญญาธรรมนี้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เราศึกษาให้ได้รับความรู้รับความเข้าใจมาประกอบในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างธรรมในหัวใจของเรามีมากมายเยอะแยะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือใจคือ ส, สติธรรมคือปัญญาธรรมในหัวใจของเราวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขาร สังขารในกองสังขารนั้นมีอะไรมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเห็นไหมวิญญาณใครสร้างให้เราวิญญาณวิญญาณในชนี้รวมไปถึงว่าวิญญาณธาตุด้วยคําบอกวิญญาณธาตุคือจิตของเรานั่นแหละมโนทั้งก็เรียกจิตทั้งก็เรียกใจทั้งก็เรียกใจจอสายในภาษาไทย พระาบารีเขาเรียกว่าจิตบางทีเขาเรียกว่ามโนบางทีเขาเรียกมนายัตนาบางทีท่านก็เรียกว่าวิญญาณธาตุหมายถึงสิง่งสิ่งนั้นแหละคือผู้รู้ของเราเ น, นี่คือวิญญาณสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณนี้มันก็เป็นเหตุให้เกิดนามและรูปเห็นไหมน้อมมาที่ตัวของเรามีทั้งนามมีทั้งรูปนามก็คือใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นนาม เป็นใจแต่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแท้ๆไม่ใช่ธาตุรู้ที่แท้จริงเป็นกิริยาของธาตุรู้เหมือนอย่างพัดลมที่มันพัดลมมาใส่เราเนี่ ย, ยคืออาการของมันมันไม่ใช่อาการที่มันพัดมาหาเราแสงสว่างที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไฟแต่มันเป็นอาการของไฟเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการของผู้รู้เป็นอาการของผู้รู้ รูปกนามรูปกนามเกิดขึ้นในรูปนามันมีอนิจจทุกขาณตานะเราจะได้พิจารณาให้ไหมอนิจจทุกขาณตานั้นถ้าเรามาพิจารณาเราก็หลงเราอยู่ในภาวะของความรุ่มหลงอยู่ในภาวะของความรุ่มหลงยึดทัพพุคือยึดสิ่งเหล่านี้แหละยึดอะไรก็ทุกขานั้นยึดอะไรก็ทุกขานั้นยึดอะไรก็ทุกขานั้นในเมื่อเรารักเราก็ยึดในเมื่อเรายึดเราก็รักเราก็ชอบเราก็ผูกพันแล้วก็เศร้าเราก็เสียใจหาแล้วก็หึงแล้วก็ห่วง เป็นเดือดเป็นแค้นนาเป็นเดือดเป็นแค้นเวลาไม่ได้อย่างใจก็ทุกข์จนตายเวลาไม่ได้อย่างใจก็ทุกข์จนตายอ่าอาจารย์ธีรศักดิ์ตอนเทศได้ฟังท่านบอกว่าอ่าพูดหนุ่มผู้หนึ่งเกียรขี้เกียรติไม่ค่อยได้ช่วยงานพ่องานแม่หรอก อ, อยู่มาอยู่มาแล้วพ่ อ, อยู่ต่อมาอยู่มาอยู่มากา็รักผู้สาวรักผู้สาวขอบอกพ่อบอกแม่ให้ไปแต่งงานไปขอมาแต่งงานให้ไปขอผู้สาววันเถอะไปขอผู้สาวมันต้องมีน <c oughs> ะนะมันต้องเสียเงินเสียทองอ่ะนะพ่อแม่ก็เลยบอกว่าโอ้ลูกเอ้ยไม่มีเงินหรอกลักลูกเองก็ไม่ได้ทํางานทําการอะไรขี้เกียจขี้ค้านไม่ได้ช่วการช่วยงานพ่อ เป็นลูกเป็นเป็นคนขี้เกียจเพราะแม่ว่าให้แค่นี้แหละด้วยเหตี่รักผู้สาวมากๆนะไปมัดคอตัวเองตายเนี่เพราะอะไรสิ้นหวังเพราะแม่ไม่ไปเอาให้นี่คืออะไรคือรักไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจก็หายเจงาอกไม่ได้อย่างใจก็หายเจ้าอกสิ่งใดที่เรายึดเข้ามาเราจะต้องประสบความทุกข์สิ่งใดที่เรารักเราชอบสักวันหนึ่งคราวหนึ่งเราจะต้อง ได้รับความทุกข์จากมันความทุกข์ที่เกิดขึ้นในหัวใจของเรานะ่แทบไม่พลาดเลยนะถ้าเราจะใช้คำว่าทุกเกิดจากความผิดหวังทั้งนั้นไม่มีอะไรพลาดเลยทุกทุกอย่างทุกทุกเรื่องทุกทุกดอกที่เราประสบเราเห็ในหัวใจของเราเกิดขึ้นจากความผิดหวังเท่านั้นนะยึดกายกายมันเป็นไปตามใจหวังของเราไหมไม่อยากให้แก่ได้ไมไม่อยากให้เจ็บได้ไหม พ่อเราไม่ยา้ายแก่ไม่ยายเจ็บได้ไหมแม่เราไม่ยา้ายแก่ไม่ยให้เจ็บได้ไหมไม่อย้า้ตายได้ไหมผัวเรามีเราไม่ยายแก่ไม่ยา้ายเจ็บไม่ยา้ øre, ายตายได้ไหมนี่คือพลัง ข, งของความยึด yet, และทุกข์ไม่หลับในเมื่อไม่สมหวังตามที่เราหวังเนี่ยทุกข์แน่ ine. เราพูดได้เลยว่าความทุกข์เกิดขึ้นจากความผิดหวังทั้งนั้นลูกเราดีๆแล้วซื้อแก่งๆอ๋อติดยาบ้าซะแล้วผิดหวังอีกแล้ว กําลังวังชาเรี่ยวแรงดีดีกําลังน่ารักโอ้ยทูกรถทับเสียแล้วเนี่ยตายแล้วโอ้ตกน้ําตายเสแล้วเนี่ยผิดหวังอีกแล้วความผิดหวังนําทุกนําโทษมาให้เราเราพิจารณาตรงนี้แล้วท่านจึงไม่ให้เราหวังสิ่งใดจนเกินสติเกินปัญญาของเราให้ดูให้เห็นตามความเป็นจริง แล้วก็รับทราบแล้วก็ยอมรับไปแล้วก็วางอาไว้พี่จาให้รู้เท่าทันความเป็นจริงยอมรับแล้วก็วางเอาไว้ดูใหเห็นเท่าดูให้รู้ให้เห็นให้เท่าทันตามความเป็นจริงแล้วก็วางเอาไว้วางเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ตัณหามันครอบนาหัวใจของเราได้นี่ผิดผลของกิเลสผิดผลของตัณหามันทําให้เรารักให้เราหึงหวงให้เรายดึดให้เราถือ วิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะต้องมีการสัมผัสสัมพันธ์กันเป็นเหตุให้เกิดอายตะนะไปเครื่องต่อข้างในไปต่อข้างนอกข้างในคือตาไปต่อข้างนอกคือรูปข้างในคือหูไปต่อข้างนอกคือเสียงจมูกเล่นกายใจอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เป็นเครื่องต่อท่านจึงว่านามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะ สลา ย, ยตนะแปลว่าอายตนะหกอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกเป็นอายตนะสิบสองบางทีท่าน้็เรียกธาตุสิวิญญาณธาตุเนี่ยจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุที่เราสวนเมื่อกี้เนี่ยโสตธาตุสัตะธาตุโ ส, สตวิญญาณโสตวิญญาณธาตุ ย, น า, ยนานภายนอกยานภายในหกวิญญาณไอ้ธาตุวิญญาณหวิญญาณวิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งพอตาไปสัมผัสรูปปั๊บเกิดความรู้แจ้งทางตาเนี่ยหูได้ยินเสียงปั๊บเกิดความรู้แจ้งทางหูการได้ยินนั่นที่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณวิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งในขณะที่เกิดวิญญาณนั่นแหละมันเป็นภัทธะไปในขณะเดียวกัน เกิดพรรษาเกิดเวทนามันยึดเข้ามามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทรงกันมันโดยลําดับเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเนี่ยตัณหาที่เกิดนี้หมายขึ้นหมายหมายความว่าตัณหาใหม่นะตัณหาใหม่มันมีที่เกิดเพรามันตัณหากล่าวมานส่งเรามาแล้วแต่ตัณหาใหม่มันพร้อมที่จะเกิดเพื่อสร้างรกรากสร้างเผ่าพันให้กับเผ่าพันของมันเป็นปัจจัยเกิดตัณหา ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดพบพบเป็นปัจจัยเกิดชาติแน่เพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่ตามมาเป็นปรวนเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากตัณหามันยึดเอาเราม่จับมาจับตัวกลางที่พายยึดเอาคือตัณหามันยึดเอาอะไรยึดเอาความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างความรู้สึกอันนี้คือเวทนาอืม ใจของเรามันมีความรู้สึกแต่มันไม่ใช่รู้สึกเฉยๆนะรู้สึกเฉยๆก็มีมันจะรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกยินดีรู้สึกยินร้ายความรู้สึกนี้แหละถ้าหากเราไม่มีสติกำกับจิตของเราทําให้เราลุ่มหลงในสิ่งที่เราประสบพบเห็นแล้วก็ยึดตาเห็น ร, รูปรูปดีๆเราก็ยึดยึดแล้วก็ทําให้ใจของเราเนี่ยพอใจเกิดสุ ข, ขเวทนาที่เรียกว่ายินดีถ้ารูปไม่พึงพอใจก็เกิด ความไม่ยินดีที่เรียก ว, ว่ายินร้ายอภิชชาโธ ม, มันั้นท่าให้เจริญสติเพื่อละอภิชชาและโธมนั้สติตัวเดียวน่ะตั้งรู้ขึ้นมาสงบระงับชะลอตัณหาเหล่านี้ได้ทาําอภิชชาและโธมนันั้ให้ชิบหายวายหลวงหมดไปจากโลกอภิชชาคือความรักโทมนั้คือความชังหรือความยินดีกับความยินร้าย นี่คือตัณหาตัณหาเนี่มันแพ้มันแพ้สตินะมันแพ้สติธรรมตัณหาคือความอยากในหัวใจของเราการตัณหาภะวะตัณหาวิภาวะตัณหาเวลาเราดูเราทดสอบภาคปฏิบัติเราดูมาที่ความอยากอยากในหัวใจของเราหัวใจของเรามันมีความอยากรหัสจับความอยากในหัวใจของเราให้มันทันเราจะได้รู้ว่าโอ้ นี่อยากนี้เป็นมรตโอ้อยากอ yeah. ันนี้เป็นสมุทัยเราเอาตัวนี้มาเป็นแนวปฏิบัติได้เลยโอ้นี่อยากอยากตัว yes. นี้เป็นมรตอยากทําบุญอยากให้ทานอยากรักษาศีลอยากรากษาธรรมอยากปฏิบัติธรรมอยากได้อ่านได้ทำอยากได้มรตได้ผลอยากได้นิพพานอยากเป็นผู้มีบุญเนี่ยอยากอันนี้เป็นมรตเราจะได้รู้ว่าความอยากนี้เป็นมรตโอ้อยากนี้เพื่อราคะจันหาเพื่อลูกเพื่อสร้างลูกสร้างครอบสร้างครัวสร้างอะไรต่ออะไรโอ้อันนี้เป็นสมุทัย รีบละจับความอยากมันเกิดในขณะคิดของเราแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะมันจะเกิดขึ้นมาเพราะงั้นการเจริญสติสติเป็นตัวยับยั้งเป็นตัวหยุดเป็นตัวชะลอเป็นตัวสงบเป็นตัวระ ง, งับถ้าเราขาดสติสถมถะก็เกิดหน่วยวิจของเราไม่ได้มิปัสนาก็เกิดหน่วยวิจของเราไม่ได้ถ้าเราขาดสตินะสติต้องรู้จักสติคือความระลึกรู้ของจิต มันเป็นช่วงขณะที่จิตของเราเนะี่ยรู้ชัดที่สุดในขณะนั้นในตอนนั้นจิตคือความรู้คือผู้รู้ผู้รู้ของเราจะตื่นรู้ต่อเมื่อเรามีสติกากับแล้วมันรู้ได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์นี่สำคัญที่สุดนะถ้าไม่มีเอกเทศรู้ได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์ทำไม่สามารถจะเอาชนะกิลเลสได้ เราะไม่มีอบายวิธีใดๆที่จะเอาชนะกิเลสได้ด้วยเหตุที่เรามาเจริญให้เกิดความรู้ความเข้าใจโโรวันเดียวหนึ่งเดียวเนี่ยตัณหามันมันมาเป็นอารมณ์ที่สองมันมาไม่ได้เนื่องจากว่าเราทําอารมณ์แรกอารมณ์ที่หนึ่งเนี่ยให้มันโโรชัดเต็มร้อยอารมณ์อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้อารมณ์ที่จะชัด เย็นที่สุดในหัวใจเราได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์เราพยายามจับตรงนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นธรรมะกับเกลียดในหัวใจของเรามันต่อสู้กันมันชนะกันได้ยังไงนาะมันชนะกันได้ด้วยเราดํามรองทำให้มั่นคงอยู่ในหัวใจของเราตลอดมันโรอยู่ตลอดแต่ถ้ามันจางๆมันจืดๆมันจางๆสติมันเริ่มจางเข้าไปตันหาแทรกแล้วอารมณ์อื่นก็เริ่มแทรกเข้ามาแล้ว จากอารมณ์หนึ่งเดียวพุทโธพุทโธพุทโธเป็นสองแล้วเป็นอารมณ์รักเป็นอารมณ์ชังเป็นอะไรอะไรเพิ่มเข้ามาอีก่แล้วนี่อารมณ์ตั้งแต่สองอารมณ์เป็นต้นไปไม่มีชัดสักหนึ่งอารมณ์ครุกคลีทีโมงกันอยู่นั่นแหละอ่ไม่มีชัดสักหนึ่งอารมณ์อารมณ์ผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเท่านั้นสามารถทําให้อารมณ์เด่นชัดโงอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวอารมณ์ของผู้เจริญสติเราพูดถึงสติเราไม่ลืมที่จะคิดถึงมหาสีประธาน มากำกับที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมอันนี้เป็นสนามงานของเรานะอันนี้เรียนรู้เอาไวศึกษาเอาไวเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบการประกอบงานเราอับจนเครื่องไม้เครื่องมือจะเอาอะไรไปทำงานมีอะไรไปสนองงานอยากทำรูไม่มีเสียไม่มีจอบจิบทำอะไรได้อยากตัดไม่มีมีดไม่มีเลื่อยไม่รู้จะเอาอะไรไปตัดอยากเจะไม่มีสิว ไม่มีอะไรแหลมที่จะไปขุดไปเจาะนี่เรายกอุปมาขึ้นมาอยากมีปัญญาแต่ขาดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรคือปัญญาอะไรคือเครื่องจะทําให้เราเกิดปัญญาไม่รู้จักตีบตันอันตู้ในหัวใจของเรางานของเราก็ไม่ไปหน้ามาหลังในเมื่อเราเรามีสิ่งเหล่านี้เราพอจะพึ่งพาอาศัยตัวเองได้ฝีมือช่างเราอาจจะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเป็นหัดทําไปในเมื่อเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในมือเรามันจะค่อยๆเป็น โอ้อันนี้กบเนาะใสเข้าไปโอ้มันเคยหยาบหยาเอากบใสเข้าไปมันละเอียดโอ้อันนี้อันนี้เขาตีหลบมุมเนาะตีปับ๊บโอ้ยมุมกลมเป็นบัวความเป็นบัวงายเครื่องไม้เครื่องมือเห็นไหมเวลาช่างเขาตีลบเหลี่ยมเห็นไหมนั่นคือเครื่องไม้เครื่องมือสติธรรมก็งเราก็เช่นเดียวกันสนธรรมัญญาธรรมก็เช่นเดียวกันขันติธรรมวิริยะธรรม หริธรรมโอตตะปะธรรมขันติธรรมโสระจักธรรมสิ่งเหล่านี้ถ้าเราอยู่ในคุณงามความดี เ, าเราสํารวจตรวจตราดูลงไปเขาจะพร้อมหน้ากันหมดเนี่ยเขาจะพร้อมหน้ากันอยู่ในนั้นหมดเล็บเวลาเวลาใดขนาดใดก็ตามเราให้ตัณหามันครอบมือใจของเรากิเลสราคะโทสะโ ม, มหะมันพร้อมหน้ากันอยู่ในนั้นหมดเหมือนกันนี่ดูพิจารณาไปที่มือใจของเราเราจะรู้เราจะเห็น สิ่งที่ทำให้เรายึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาด้วยอกปาทานก็คือตัณหาการจับตัณหาก็จับมาที่ความอยากในหัวใจของเราอันนี้เป็นหน้างานเป็นภาคงานเป็นสนามงานเป็นสนามปฏิบัติของเราย้าตั้งสติให้รอขึ้นมาจะเอาอารมณ์อะไรเป็นบทอเอาพุทโธพุทโธกี่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจับเข้าไปกาหนดเข้าไปโออารมณ์นีแหละเป็นที่สบายกับจิตของเรา พอเราจับไปปั๊บปุ๊มีกำลังแก่จิตกายใจจิตของเราเบาสบายอบอุ่นมีความเยือกยังมีความสุขจิตของเราไม่ไปไหนมีความสุขแช่มชื่นเบิกบานในหัวใจแน่อารมณ์อย่างอืงอ่นที่มันขัดเคืองอารมณ์ไหนที่มันถูกกับจิตนิสัยของเราเราพยายามจับดูหรืออยู่แต่กลมอย่างเดียวหรืออยู่แต่พูดโท่อย่างเดียวยังไงก็ได้หรือพูดโธด้วยจอ มาที่พุโทโธพุธโทโธล้จาะพุโทโธแล้วก็จาะพุโทโธแล้วก็จาะมันก็พอๆกับเราพุโทโธกํากับด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นแหละมันเป็นมันเป็นภาพเจริญปัญญาการเจริญปัญญาแบบนี้แหละมันเป็นการหัดพิจารณาการหัดพิจารณาพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อให้รู้เห็นให้เท่าธรรตัญหาตัญหาที่มันโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเรา พราะเวลาเราจับมันทันแล้วงานที่เราจะทําให้เกิดความก้าวหน้าก็พยายามไปพลิกแปลดูอันนี้จังทุกคั้งน้ำตาเพื่อจะได้เก็ดได้ลาบกับสิ่งที่ใจของเราไปเกาะไปติดไปผูกพันมันติดมันผูกพันกับอะไรกับร่างกายของเราเดี๋ยวนั่นก็เหี่ยวไปเดี๋ยวอันนี้ก็แห้งไปกําลังวังชาเดี๋ยวก็อ่อนไปมันสมองของเราเดี๋ยวก็เลือนเลือนเดี๋ยวก็อัลไซเมอร์อาไปกินแล้วเดี๋ยวก็ล็กตับล็กไตล็กปอดเมลงสารพัด แล้วแต่มันจะเอาไปกินในหัจใจของเราเอาอะไรเป็นเป็นเรื่องแน่นอนไม่มีเพราะฉะนั้นเราพิจารณามาตรงนี้เพื่อจะเป็นการคลี่คลายคลี่กายจากการยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาด้วยอุปาทานแต่ธหามันเกิดขึ้นอุปาทานเมื่อเกิดขึ้นตัณหาใหม่ที่มันจะเพิ่งเกิดขึ้นท่านลำดับไว้ให้เราแล้วในลาดับของ เวทนาความรู้สึกรู้สึกปับ๊บมันไม่ใช่รู้สึกเฉยๆมันยึดนะรู้สึกยินดียึดมันเป็นรวดเร็วอย่างอัตโนมัติเลยแหละปุ๊บปั๊บยึดแล้วปุ๊บปั๊บยึดเลยไม่ทันมันหรอกเพื่ปั๊ บ, บยินดีแล้วเพื่อปั๊บยินร้ายแล้วเราไม่ทันมันหละแต่ถ้าเราเจริญกรรมฐานอยู่เราพอจะรู้ทันมันตั้งตัวโรู้อยู่เนี่ยอ๋อสุขเวทนาเกิดขึ้นรู้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นรู้ ความยินดีเกิดขึ้นรู้ความยินร้ายเกิดขึ้นรู้ตันหาไม่เกิดความอยากเพื่อที่จะยึดน่ยมันเกิดไม่ได้มันเกิดไม่ทันเพราะมันมีผู้ที่มา น, นั่งเก้าอี้แทนคือสติธรรมสัมผััญญะธรรมมา น, นั่งที่หัวใจของเรานะ่ยมา น, นั่งแทนกิเรแล้วคือทำทำมันมานั่งแทนเกเรแล้วเกเรขึ้นไม่ได้แสงไม่ได้อ่าอมันขึ้นนั่งได้คนคนคนละครั้ง แต่ถ้าใครมีกําลังมากกว่าคนนั้นได้นั่งคนไหนมีคนคนไห น, นมีกําลังน้อยกว่าคนนั้นก็ต้องยืนคอยก่อนเวลาคอยคนนั้นหมดหมดกําลังอ่อนลงอ่อนลงเราเราเข้าไปแทรกในหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันนี่แหละกิเลส ค, ครองบ้างธรรมะครองม้างแต่ใ น, นเมื่อเราตัง้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมเราพยายามเอาแต่ทำไม่เจริญในหัวใจของเรากิเลสมันก็ต้องหมดบทบาท มันก็ต้องจบบทบาทมันก็ต้องยุบยอดลงไปมันก็ต้องเร้าร้อนร้อนถึงโคตรถึงแสถึงเง่าของมันกิริยาต่างๆที่มันพึงเกิดขึ้นมาถ้าเราจะเทียบกันมันไม่ต่างอะไรกับยอดหญ้าต้นหญ้าหรือยอดเครือหรือต้นเครือนะเราตัดแต่ข้างบนมันก็เดือดร้อนเหมือนกันคำว่าตัดข้างบนก็คือ ไม่มันแสดงตัวออกมาได้อก็เหมือนอย่างเราเอาความสงบของเราเนี่ยมากดทับความอยากเอาไว้ความอยากโผล่ขึ้นมาไม่ได้เอาสติทํามเอาสัมผััญญาทําเอาปัญญาธรรมเอาสมาธิธรรมมากดทับความอยากในหัวใจของเราเอาไว้ได้มันแสดงตัวออกมาไม่ได้เหมือนกับมันมีเงาอยู่ในดินหนึ่งมันมีเครือมันมียอดแทงทะลุขึ้นมาแล้วก็ตัดข้างบนตัดไปตัดไปจะดไ ป, ดไปหัวเดี๋ยวหวมันก็เน่ามันโผล่ขึ้นมาไม่ได้ พลอกันมาก็ตัดพลอกันมาก็ตัดพลอกันมาก็ตัดพลอกันมาก็ตัดขุดตามไปแล้วก็ดึงถอนขึ้นมาอ่าขุดตามไปแล้วก็ดึงถอนขึ้นมาเกเรียนหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันความอยากมันเกิดขึ้นในหัวใจอในเมื่อตันหามันเกิดขึ้นอุปาทานมันเกิดนะมันเกิดโดยอัตโนมัติเลยมันยึดยึดโดยอัตโนมัติเลยเลยอุปาทานเนี่ยพบมันก็ตามมาชาติก็ตามมานี่ คำว่าพบคำว่าชาติคือภาวะของจิตที่เราจะต้องไปยืนนะเหมือนอย่างเรานั่งภาวนาอยู่เนี่ยเรานึกถึงกาแฟเงี้ยหนูเหนียวเหลื่กาแฟเนี่ยรู้สึกหนีวกาแฟไว้นะเรานั่งอย่างเนี้ยเหนียวกาแฟน่ะเนี่ยคือพบมันเกิดแล้วนะพอเราลุกจากนี้ไปแล้วก็ไปโผล่ตรงนั้นน่ะตร ง, ตรงไหนตรงที่มันจะได้กาแฟใส่ผัดนี่คือชาติไปโผล่แล้ว เมื่อพราะมันเกิดแล้วเดี๋ยวก็ชาติกมันก็ไปโผล่จากนั้นก็ผลก็ตามมาแล้วเป็ น, นลังรอบไปเลยเลยเหมือนเหมือนลูกโซ่เลยเลยโสกปริเทวทุกขะโทมนาสาัสยัยสโทมนัสอุปาญาต์นี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงสายเกิดสายดับของอวิชชาอาวิชชาปัจจญาสังขาราเนี่ยสังขาราปัจญยาวิญญาณมันเกิดขึ้นโดยลําดับทีนี้เวลามันดับอวิชชาดับอวิชชาดับสังขารก็ดับ สังขารดับวิญญาณก็ดับคำว่าดับในที่นี้หมายความว่าความอยากมันดับความอยากมันดับคือตัณหามันดับตัณหามันไม่พายึดมันมันมันไม่มันตัณหาไม่พายุึดสังขารตัณหาไม่พายึดวิญญาณตัณหาไม่พายุึ์นามรูปตัณหาไม่พายึดเวทนาอ่า ผัสสะไม่พารายุดผัสสะไม่ภารายุดเวทนาตัณหามันพารายุดผัสสะมันพารายุดเวทนาไม่ได้เพราะเรามีงานสำคัญเรามีพลังสําคัญเรามีธรรมะสาคัญหมายความว่ามีเจ้าที่กากับดูแลควบคุมสว่างโร่อยู่ตรงนั้นขโมยที่ไหนมันจะกล้าไปโผล่มันไม่กล้าไปโผล่ดอกตัณหามันมันมันดับมันเกิดไม่ได้ตัณหามันมันไม่เกิดในเมื่อตัณหาไม่เกิด อุ้ปฎาทานที่จะเป็นลูกไม้ลูกมือมันที่มันจะพายยึดนุนยนนี้มันก็ไม่มีมันหมดผู้ที่จะไปยึดพบมันก็ไม่เกิดพบก็ไม่มีผู้ที่จะไปเกิดในพบมันก็ไม่มีความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงตลอดไปจนถึงนุนโศกปริเทวะทุกขโทมนัสเสาปายยาสั ม, มก็ดับดาดดาดหมดเนี่ยนี่คือสายดับสายเกิดคืออวิชชาเกิดสายดับคืออวิชชาญาตเวหะเนี่ย วิชัยตเววะอาเสสะเวราคานิโรธาสร้างฆารานิโรโธดับสังขารก็ดับคําว่าสังขารดับในที่นี้หมายความว่าตัณหาเนี่ยมันดับพอมันดับก็เลยมันก็หมดรกหมดรากที่จะไปก่อสังขารให้เป็นให้เป็นดอกให้เป็นยอดให้เป็นผลให้เป็นผลสืบผลให้เป็นผลสืบผลสืบเป็นเหตุให้ลุกลามใหญ่โตมันรู้จักจบมันรู้จักสิ้นไม่ใช่ว่ามันดับไปจนมหมดหมดไม่ใช่ หมายถึงตัณหามันดับเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเวลาท่านดับได้แล้วยังมีอะไรหลงเหลืออยู่สิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือสภาวะธรรมที่เป็นหลักธรรมชาติล้วนๆหลงเหลืออยู่สิ่งที่หดหายไปก็คือตัณหาความอยากในหัวใจของเรามันดับอุปาทานมันก็ดับพบมันก็ดับชาติมันก็ดับโสกปฏิเทวะทุกขโทมนัสสัยส ย, ยะโสปายาดับหมด ตั้งแต่ตัณหามันดับหมดอย่างอื่นมันดับหมดแต่เวทนายังไม่อยู่พระอรหรันต์ท่านก็รู้จักเวทนาท่านก็รู้จักแต่ท่านไม่ได้ยึดเอาล้มตาท่านผู้ชัดเจนท่านว่าจิตพระอรหันต์ไม่มีเวทนาคือไม่ติดในยินดีไม่ติดในยินร้ายแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่รู้จักว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีท่านรู้จักหมดเหมือนกันแต่ท่านไม่ได้ยึดด้วยเหตุที่ท่านไม่ยึด จึงว่าท่านไม่มีเวทนาจิตพระอรหันต์ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกเวทนาหมายว่าจิตของท่านไม่ได้ยึดจิตของท่านยังมีวิญญาณมีความรับแจ้งยังมีตายังมีหูอยู่ยังมีวิญญาณอยู่ยังมีนามรูปอยู่ยังมีกองสังขารคือร่างกายสังขารยังมีอยู่แต่ว่าสังขารจิตมันดับไปหมดแล้วสังขารจิต นับตั้งแต่ตันหาลงมาเนี่ยคือสังขารจิตที่จะมันจะไปก่อตัวให้เกิดความโลภเกิดความโกรธที่จะก่อตัวให้เกิดโรคเกิดรากที่จะไปโปล ท, ที่นู่นไปโผล่ที่นี่จะไปอบัตที่นู่นที่นี่อีกมันดับไปหมดแล้วนีเมื่อตันหามันดับอย่างนึงก็ดา่าด่าพอมาถึงตันหาตันหาตั้งแต่ตันหาเป็นต้นไปจนถึงปลายสายดับดา่าดับหมดนี่ที่ที่เราดับทุกข์ดับทุกข์สายเกิดเป็นอย่างนี้สายดับเป็นอย่างนี้ เราเรามาศึกษาเรามาพิจารณามาใคร่ครวนไตรตรองสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือทําให้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ถ้าเรามีไว้ในตัวของตัวเราเองมันก็เป็นคู่มือของเราทําให้เราได้ทํางานได้สะดวกสบายเราเราไม่ต้องมาตีมันันพิจารณาเอาอะไรมาพิจารณาเอาอะไรมาพิจารณามันก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกรอบเป็นกรอบเป็นกรรมของเราเอง นี่เราพูดถึงธรรมะทั้งหมดนะเท่าที่เราพาสวดมาวันนี้พาสวดพิเศษคือวิปัสนาภูมิเนี่ยก็เลยเอาหัวข้อของธรรมะมาพูดให้เราเห็นความสำคัญเพื่อที่เราจะได้ส่งเอาไว้ทั้งทงที่เราก็ทรงไม่ยากเลยนะธรรมะอันนี้ถนะ้ากันไปดูไปท่องให้จําให้ได้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่เราจะมาใช้ในการทามาได้เป็นอย่างดี กั้นบทต่างๆบทสิริทิฏฐิเอ้ยบทพิจนาเอ้ยเมืนเครื่องไมเครื่องมือเท่านั้นแหละพิจ า, ารณามาี่สิบพิจารณาปฏิปูลมันหลายแง่หลายมุมแล้วแต่เราจะจับได้แง่ใดมุมใดที่จะเป็นประโยชน์สําหรับใครจะมาพิจารณาเกิดประโยชน์จะเป็นประโยชน์แก่เราต้งองต้องใจนี่คือศึกษาธรรมผู้สนใจธรรมศึกษาธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นธรรม ได้ยนได้ฟังเอาไปคร้ครัวเอาไปไตรตรองเอาไปพิจารณาเอาไปทรงจำเอาไว้จะเป็นสมบัติของเราจากนี้ไปนั่งภาวนาไปจนสี่ทุ่มก็แล้วกัน อ, อีกสัก4ี่สบนาทีาตั้งใจภาวนาซะตนนียไม่ใช่ดึกๆแล้วก็เหงานอนนั่งสับประงกนะไม่อยากหันไปนู่นแหลกกลัวจะเห็นคนสับประงก เราไม่หันไปนุ้นโยมมันจะเห็นงนินคนนั่งสัปปะพงกอ้าวตั้งใจนั่งนั่งภาวนายังไงอยู่ไหม จิตอยู่ไหมจิตสงบไหมนั่งยาวๆนั่งนานๆต้องตั้งตัวให้ได้ต้องตั้งใจให้ได้แ <c oughs> ม่มันหลับนั <c oughs> <c oughs> ่งหลับตา ภาวนาให้ใจมันไม่รับความสบายอารมณ์ที่มันสบายที่สุดรสนิสัยมัชอบอะไรอารมณ์อะไรที่ใจมันชอบอารมณ์นั้นปล่อยมันภุดโธภุดโธอา น, นาปานาสติตามกำหัดลมอย่างเดียวสติ กับจิตรู้หล่มล่มหลมนี่เป็นกายอานาปานาสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งสติมาที่จิตจิตติมาปลุกให้จิตตื่นรู้เพื่อที่จะเอาลมเป็นอารมณ์ลม ลมเข้าพุดลมออกโธหรือลมเข้ากรู้ลมออกก็รู้สัจธรรมรู้นะมันเด่นมันชัดที่สุดย้าให้อัดตาตัวตนมันโผล่เลยรู้สัจธรรมรู้ถ้าอัดตาตัวตนมันโผล่คือความอยากโผล่ยิกเรานั่งนานๆไปแล้วความเจ็บความปวดมันมารบกวน พุโทโธจาะพุทโธจาะเข้าไปที่ความเจ็บความปวดเอาจิตของเราเจาะใส่ความเจ็บความปวดเลยสติปลุกจิตให้ตื่นรู้อยู่เอาความปวดนั่นแหละเป็นอารมณ์พุโทโธจาะเข้าไปพุปโทโธเจาะเข้าไปพุปโทโธจาะไปพุทโธแล้วก็จับพุโทโธแล้วก็จับ อยู Edge, undo, between, ่กับพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องจ่อที่ทุกข์ก็ได้พุทโธพุทโธพุโธพุโธพุทโธพุทโธพุโธพุโธพุโธจับคำพุทโธแล้วละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้จ่อเฉพาะเวทนาตามรู้เวทนาเวทนาคือเจ็บน่ยเจ็บคือปวดปวดก็คือเวทนาเวทนาคือปวดน่น ท่นให้ว่าปวดสักที่ว่าปวดเด้อไม้มันลุกลามว่าเราปวดกายเราปวดนี่ัยรับรู้ว่าปวดปวดปวดปวดปวดสักที่ว่าปวดไม่ยินดีไม่ยินร้ายถ้าเราตั้งตั้งสติกำหนดรูจออย่างนี้มันจะทัน ท่านแล้วก็ไม่ปล่อยสติยิ่งทำสติทียึบเข้าไประวังทียึบเข้าไปอดเข้าไปทนเข้าไปจ่อเข้าไปจับความรู้กับจับทุกขเวทนาเนี่ยปวดศัพทภาปวดถ้าเราคิดว่าเราปวด มันก็เริ่มทุกข์แล้วทุกข์มาที่ใจแล้วถ้าเราว่าเราปวดนะทุกข์มาที่ใจแล้วพิจารณาในแง่ของมัสติเนี่ยท่านให้พิจารณาว่าเวทนามีอยู่ศักดิ์ว่าเป็นที่รู้ของจิตเป็นที่ระลึกของสติรู้จิตรู้จิตระลึก สักตัวเป็นที่รู้ของจิตเป็นที่ระลึกของจิตหรือเป็นที่ระลึกของสติเรากําหนดจดจอ่อทางความรู้ให้เท่าทันเนี่ยมันจะไม่ยึดนะยิดว่าเราเจ็บยึดว่าเราปวดนี่เวทนาก็สักตัวเวทนาเรากําหนดจดจ่ออย่า น, นี้ยต่อเ น, นื่องเวทนาสักตัวเวทนาดูเวทนาแล้วดูมาที่จิตก็ไรดู ไปที่จิตแล้วก็ดูไปที่เวทนาดูไปที่เวทนาแล้วก็ดูไปที่จิตดูเวลามันสลับไปสลับมาะตัวที่มันสลับไปสลับมานคืออะไรคือตัวอะไรดูที่มันมีไหมตัวนั้นคืออะไรดูเวทนาแล้วก็ย้อนมาดูที่จิตดูจิตแล้วก็ย้อนไปดูที่เวทนาดูเวทนาก็คือกำหนดทุกขย้อนไปดูสมุทัยสมุทัยมันเกิดมันเกิดที่จิตนะกำหนดทุก คือการเวทนาย้อนไปดูสมุทัยสมุทัยมันเกิดที่จิตย้อนไปดูที่จิตนั่นแหะเอาอะไรย้อนเอาจิตนี่แะย้อนเอาสตินี่แหละย้อนลองย้อนดูย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับไปย้อนกลับมาลองหัดย้อนลองดูนี่คือวิธีการเจริญตามหลักมาสตินะไม่ให้อัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาไม่ให้ตัณหามันโผล่ขึ้นมา ท่านบอกว่านําความยินดีออกนําความยินร้ายออกนําอภิชชาและโทมนัตออกอภิชชาโทมนัตก็คือความยินดีความยินร้ายเวทนามีอยู่เวทนาเป็นที่รู้ของจิตเป็นที่ระลึกของสติท่านให้หนดรู้อยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นแหละตัวเวทนาตัวนั้นแหะนั่นแหละคือสัจธรรมสัจธรรมปรากฏนั่นคือความจริงอย่างหนึ่งปรากฏของมันสภาวะธรรมอย่างหนึ่งปรากฏ เวทนารู้มาที่จิตจิตก็รู้สัพทวารู้จิตไม่ได้ทุกข์เพราะจิตสัพทวารู้ภาวะของจิตแท้คือมีหน้าที่รู้รู้รู้เวทนาตังหาจิตตั้งหามันคนละอันเวทนาไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เวทนาผู้ที่ย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาก็คือสติธรรมปัญญาธรรมนะะ สติปัญญานั่นแหละมันทํางานอยู่นสติปัญญาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือส่องงเข้าไปส่องประมาส่องเข้าไปส่องปรมาย้อนเข้าไปย้อนประมาย้อนเข้าไปย้อนประมามันปวดความปวดมันมีที่ตั้งของมันมันตั้งอยู่ตรงไหนมันตั้งอยู่ตรงกายหงอเข่าเอ้ยฝ่าเท้าเอ้ยเอวเอ้ยสะโพกเอ้ยตรงไหนก็แล้วแต่ย้อนบปดูีกายอีกอย่างได้เลยน้องตาท่านหิย้อนย้อนบปดูทีกาย การที่เราย้อนกลับไปย้อนกลับมาเพื่อไม่ให้ตัญหาเกิดขึ้นเราจะได้รู้สัจธรรมชัดเจนนี่คือทุกขสั์ทุกขสัจกายเวทนาจิตธรรมนี่เป็นทุกขสัจตัวนี้เป็นตัวทุกขสัจตัวกายก็เป็นตัวทุกขสัจตัวเวทนาก็เป็นตัวทุกขสัจตัวจิตก็เป็นตัวทุกขสัจตัวธรรมหมายถึงอารมณ์ที่เกิดภายในจิตก็เป็นทุกขสัจ ทุกขสัตว์ตัวนี้สิ่งที่ปั้นมาก็คือสมุทยัยสมุทัยมันเป็นตัวปั้นทุกขสัตย้ยอนไปดูที่ที่จิตเพราะสมุทัยเวลามันเกิดนเกิดที่จิตมันเกิดที่ใจตัณหาวลามันเกิดนเกิดที่ใจพอมันเกิดแล้วมันยึดเกิดแล้วมันยึดอัตตามันโผล่ขึ้ น, น, นแต่ถ้าไม่ไม่ให้อัตตาโผล่ขึ้น มันก็เป็นอนัตตาโดยอัตโนมัติเพรมันอนัตตาก็คือมันไม่มีไม่มีตัวยึดแต่ถ้าอัตตาโผล่ขึ้นมาอัตตานี่แหละมันมันมันยึดมันยึดว่าเราคือเรามันโผล่ขึ้นมามันยึดว่าเราเราเจ็บเราปวดปวดขึ้นมาทันทีทนไม่ได้ดอกดึงทุบมาใส่เจ้าของอุปาทานมันเหนียวแน่นมันมั่นคงอุปาทานก็ถือเอายึดเอาถือเอานี่ตัวเนี้ตัวหลงตัวนี้แะ มันลองละเอียดล้อามากพยายามดูมันพยายามแยกแยะมันเพื่อให้เข้าใจแต่ละอย่างแต่ละเรื่องมันจะแยกโดยอัตโนมัติ ข, ของมันทุกสัตว์สมุทไทยสัตว์สมุทรไทยมันไม่เกิดมันหมายความว่ า, วา น, นิรอทมันเกิดแล้วพราอสมุทรไทยไม่เกิดนิรโทก็เกิดแล้วในขณะที่เราย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาย้อนไปยอนันนั่นคือมัดผู้กําลังทํางานอยู่ สติทํรมสัมผััญญาธรรมปัญญาธรรมหิริธรรมสมาธิธรรมและแต่ละจะว่ามันทุกหมดนั่นแหละมันอยู่ด้วยกันทั้งหมดพอเวลามันอยู่มันอยู่ด้วยกันทั้งหมดหัดฝึกซ้อมอยู่ตรงนี้ให้เข้าใจจิตใจของเราจะได้รู้ที่ไปที่มารู้ที่เกิดของตัณหารู้ที่ตั้งอยู่ของตัณหารู้ที่ดับของตัณหารู้ทุกข์ขัด ที่เรียก ว, ว่ารู้ทุกขสัจจัจจ์นี่แหละรู้สมุทยัยสัจรู้นิโรธสัจ ต, ตัณหามันไม่เกิดเราหน้องไปอะไรก็ใช่แหละตัณห า, หามันไม่เกิดก็คือนิโรธสัจในขณะเดียวกันก็นกคือมรรคสัจมันกาลังทํางานอยู่สติธรรมสมุจัญญาธรรมตัวนี้แหละคือมรรคสัจศีนสมาธิปัญญาแห่สีนสมาธิปัญญ า, า, ญญาตัวเหนียวแน่นมั่นคง ตัวสมาธิทำสมาธิทจิตหนักจิตแน่นจิตมั่นคงจิตอดจิตทนจับอยู่นั่นแหละไม่ยอมปล่อยอชิตังเมวันนี้ชิตังเมชิตังเมสีทุ่งกว่าแล้วน ะ, ะชิตังเมแล้ววันนี้สมควรแก่เวลา เพียงเท่านี้วันนี้รู้ไหมชนิดจิตตังแมร่รู้ไหมชนะแลว้วชนะแลว้ว <laughs> ดูในใจจะของชนะหรือเปล่าหยักหยักข ย, ย, ยับเข้าขยับออกอย่างนั้ย น, นะอ่อเล้ว